เรื่องถวายอดิเรกครั้นสมเด็จพระวรนรัตเส่งถึงวรณภาพแล้วพระเทพกวีต้องเป็นผู้ใหญ่นั่งหน้าครั้งหนึ่งเมื่อมีกิจการฉลองสวดมนต์ในพระบรมมหาราชวังพระเทพกวีโตเป็นผู้ชักนำพระราชาคณะอ่อนๆอลงมาสวดเสร็จแล้วยถาพระรับสัพพีแล้วสวดคาถาโมทนาจบแล้วพระเทพกวีโต จึงถวายอดีเร ข, ขึ้นองค์เดียวว่าอธิเรกวัสตังชีวตุอธิเรกวัสตังชีวตุอธิเรกวัสตังชีวตุทีคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพชโยนิจังมหาราชสาพวตุสัพพธาขอถวายพระพรสมเด็จพระจองกล่าวสุขโปรดมาก รับสั่งถามว่าแก้ละตัดเติมจะได้บ้างไหมพระเทพกวีโตกวายพระพรว่าอัตมาได้เปยยานไว้ในตัวบทคถาสำหรับสมเด็จพระบรมบพิษพระราชาสมภารเจ้าได้ทรงตรอกลงตามพระพ ร, ะรมราชอัธยาศัยแล้วหมายเหตุคำว่าเปยยานหรือเปยยาละหมายถึงย่อหรือละไว้ ถ้าเป็นการย่อในบาลีจะเขียนเป็นเครื่องหมายปยานน้อยเปย์ปยานน้อยอ่านตามบาลีว่าเปหรือตรงกับปยานใหญ่ในภาษาไทยนะครับพระเทพกวีโตถวายพระพรว่าอัตมาได้เปย์ยานไว้ในตัวบทคถาสําหรับสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าได้ทรงตรอกลงตามพระบ ร, ะรมราชอัธยาศัยแล้วสมเด็จพระจองกล้าวทรงตรอกซ้ําลง โรงที่คายุอีกบรรทัดหนึ่งทรงตรอกโงที่นาศัพมหาราชสะเป็นปรเมนทรมหาราชวรรศันอกนั้นคงไว้ตามคำพระเทพกวีโตทุกคำแล้วตราพระราชบัญญัติประกาศไปทุกๆพระอารามให้เป็นกำหนดธรรมเนียมต้องให้พระราชาคณะคูณนั่งหน้าถวายคถาอธิแรงนี้ก่อนจึงรับพระว่ตุสัพ์จึงถวายพรลาออกจากพระที่นั่งได้ ตลอดจนการพระเมนการถวายพระกรถินทานตามพระอารามหลวงต้องมีพระราชาคณะถวายอดิเรกนี้ทุกคราวพระราชดำเนินจึงเป็นราชประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้แหล